รายการนี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคุณผู้ฟังครับผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนทาหน้าที่ดาเนินรายการทาหน้าที่ในการคัดเลือกเนื้อหาทาหน้าที่ในการเลือกสรรเปิดเพลงเพลๆ ประกอบทั้งสี่ช่วงของรายการนะครับทั้งสี่ช่วงของรายการก็มีช่วงมรดกเพลงไทยมรดกวิถีไทยมรดกภูมิปัญญาไทยแล้วก็มรดกทางภาษารวันนี้ขออนุญาตแจ้งรายการให้คุณผู้ฟังได้รับทราบว่าเกือบหนึ่งชั่วโมงในวันนี้ทั้งสี่ช่วงมีอะไรบ้างนะครับสําหรับช่วงที่1นึมรดกเพลงไทยนะครับวันนี้นําเสนอเพลงรอ ซึ่งคุณผู้ฟังจะได้รับทราบเรื่องราวเกร็ดสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเพลงนี้แล้วก็ฟังเพลงนี้แบบเต็มๆอย่างมีความสุขเมื่อพูดถึงการรอผมก็นึกถึงใครสักคนหนึ่งที่รอเราถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เฝ้ารอเราสม่ำเสมอคงจะนึกถึงสุนัขนะครับวันนี้ก็เลยจะนาเสนอเรื่องราวของสุนัขในช่วงมรดกวิถีไทย กับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือคนไทยกับความนิยมในการเลี้ยงสุนัขตั้งแต่อดีตจนถึงในปัจจุบันนะครับสุนัขไทยมีพันธุ์ต่างๆที่คนไทยได้เลี้ยงกันผมเองก็มีสุนัขนะครับออกจะสีแดงๆอายุกวประมาณสัก78ปปีนะครับบางทีก็ดีบางทีก็ดื้ดอนะครับแต่ก็มีความน่ารัก ต่อไปวันนี้มรดกวิธีไทยของผมจะมีช่วงที่หนึ่งและช่วงที่สองช่วงที่สองก็จะพูดถึงเรื่องราวของสุนัขพันธ์บางแก้วแล้วก็วิธีที่จะเข้าใจกิริยาอาการวิธีป้องกันเหตุเพศภัยให้กับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับ <c oughs> เพื่อให้มันนั้นมีชีวิตอยู่ไปนานๆต่อไปในช่วงมรดกทางภาษานะครับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปสมัยที่คุณผู้ฟังเรียนมัธยม ก็จะมีเรื่องสั้นเรื่องมอมนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องย่อให้คุณผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็จะมาต่อกันที่สำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับสุนัขนะครับและทั้งสี่ช่วงก็ยังมีเพลงที่มีอารมณ์ประมาณว่าการรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับคุณผู้ฟังครับเช่นเคยเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งรอไม่นานนะครับ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 มาถึงช่วงที่หนึ่งครับคุณผู้ฟังมรดกเพลงไทยเป็นช่วงแห่งความสุขที่เราจะได้พาคุณผู้ฟังไปรู้จักเพลงดีๆเพลงเก่าๆซึ่งก็มีอายุมากกว่า30ปีบางเพลงก็25ปีขึ้นไปนะครับวันนี้ผมนำเสนอเพลงรอซึ่งเพลงนี้คำร้องทำนองโดยครูสุรพลโทนาวนิกนะครับคุณผู้ฟังครับ เพลงนี้เป็นเพลงเก่าแล้วก็มีศิลปินทั้งผู้ชายผู้หญิงนำเพลงนี้มาขับร้องใหม่ไม่ว่าใครจะนำเพลงนี้มาขับร้องส่วนมากก็มีความไพเราะทั้งสิน้นเท่าที่สังเกตดูเพราะว่าเพลงนี้มีการเขียนเนื้อเพลงที่ดีมากๆมีการเปรียบเทียบซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน แต่หัวใจอ่อนๆของเธอทําด้วยสิ่งใดช่างไม่สะทกสถานสะเทือนเหมือนหัวใจช่างไม่หวั่นไหวว่าใครเขารักเขารอแล้วก็ต่ออีกนิดนึงนะครับสิ้นลมลมหายใจของฉันเมื่อไหร่เธอคงจะต้องได้รู้ว่าใครเฝ้า ง, งอใครการมีรักมีรักเพียงพอใครกันรอแล้วแล้วอย่างเฝ้ารอเขารอ เขารอเขารอเป็นการตอกย้ำว่าคอยด้วยความหวังคอยด้วยความทุกทรมานแล้วก็รอจริงๆนะครับตอนจบ3ามรอด้วยกันคุณผู้ฟังครับเพลงนี้เป็นเพลงเอกของครูสุรพลโทนาวนิกนะครับซึ่งถ้านึกถึงเพลงรอก็จะนึกถึงเพลงจูเพราะว่าเพลงนี้บันทึกแผ่นเสียงโดยมีนักร้องชั้นครูนะครับก็คือคุณสุเทพวงคาแหง เพลงนี้บันทึกเสียงเมื่อปีพศ2506ผู้จัดยังไม่เกิดเลยนะครับและเพลงนี้เป็นเพลงยอดนิยมที่เรียกว่าติดปากแฟนเพลงกันอย่างกว้างขวางและเป็นเพลงที่นิยมนำไปร้องเรียกว่าฮิตกันทั่วบ้างทั่วเมืองผมเองยังเคยมีโอกาสร้องโชว์เพลงนี้ต่อหน้าต่อหน้าพักพวกเพื่อนฝูงเพราะว่าอะไรครับในเพลงนี้มีวักทองที่บอกว่า น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนซึ่งเป็นการอุปมาอุปไมได้อย่างดียิ่งแล้วก็ใกล้ตัวมากที่สุดคุณผู้ฟังครับจากข้อความเมื่อสักครู่นี้มีที่มาที่ไปมีแรงบันดาลใจนะครับบอกว่ า, าที่มาของเพลงนี้ครูสุรพลโทนวณิกได้เขียนเล่าเอาไวใ้ให้กับใครหลายหลายคนฟังว่าท่านบอกว่าส่วนหนึ่งของเนื้อเพลงรอนั้น วันนึงท่านไปอาบน้ําที่น้ําตกมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับดําน้ําผ่านม่านน้ําตกเข้าไปข้างในก็เป็นโพรงตื้นๆจะเรียกว่าเป็นถ้ำตื้นๆก็ได้หรือถ้าขนาดจิว๋วจุมจ๋มจิ๋มเล็กๆนิดเดียวนะพอโผล่หัวขึ้นมาที่จะรับอากาศได้แล้วก็เลยเห็นน้ําตกที่มุดผ่านเข้ามาเนี่ยเป็นฉากกาําบังแล้วท่านก็คิดสนุกสนุกว่าแหมจะต้องมีคู่รักอาจจะดําน้ํามุดเข้ามานะครับพลอดรักกัน แล้วก็อาจจะเป็นทำเลที่ดีส่วนท่านเองนั้นท่านบอกว่าท่านกำพระคู่ว้าเวเวลาไปเที่ยวไหนก็จะมีเพื่อน3คนนะครับก็มีคุณชรินคุณสุเทพแล้วก็ตัวครูสุรพลนี่แหละแล้วถ้าเกิดพบผู้หญิงสาวสวยอันนี้ท่านพูดไว้ในเชิงจรเล่นจริงว่าถ้าพบผู้หญิงสาวสวย3าคนคนที่หนึ่งก็จะชอบคุณชรินอีกสองคนจะรวมกันชอบ คุณสุเทพสำหรับตัวท่านนั้นไม่ค่อยจะมีใครเหลียวแลทีนี้ย้อนกลับมาที่ถ้ำแห่งนั้นนะครับในถ้ำแห่งนั้นมีน้ําหยดจริงๆมีหินกล่อนเพราะว่ารอยน้ําหยดเนี่ยกระดดลงมาแรงปีท่านก็เห็นแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็จําเอาไว้ถ้านเราต่อว่าวันที่จะอัดแผ่นเสียงที่ห้องอัดเสียงสีกรุงแล้วท่านก็นัดคุณสุเทพมาร้องเพลง แต่ว่าเพลงยังไม่ได้แต่งนักดนตรีก็รอแล้วส่วนมากท่านบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเป็นปกตินิสัยของท่านท่านบอกให้ทุกคนรอสักครู่หนึ่งแล้วท่านก็ขอตัวไปที่ห้องน้าซึ่งท่านบอกว่าสมัยก่อนชักโครกสมัยก่อนนั้นเขาแขวนนะครับเอาไว้สูงหน่อยน้ำหยดจากชักโครกลงบนขอบโถส้วมที่นั่งเนี่ย ทำให้ขอบโถส้วมดูเก่าซึ่งส่วนมากก็จะทำจากไม้มีรอยสึกแล้วก็มีสนิมที่บริเวณที่เป็นโลหะเนี่ยเป็นสนิมสีแดงจับกันเป็นคราบท่านเลยนึกขึ้นมาได้ก็เลยรีบเอาดินสอกระดาษนะครับจดข้อความหรือสิ่งที่มองเห็นนี้หลังจากนั้นท่านก็ได้ท่อนแยกซึ่งมีความสำคัญเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นท่านก็เดินออกมาแล้วก็แต่งท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองจนถึงท่อนสุดท้ายเรียกว่าแต่งจนจบครบเพลงนะครับแล้วท่านก็พูดเปลยๆกับคุณสุเทพว่าสงสัยเพลงนี้จะฮิตแน่ๆส่วนคุณสุเทพก็ตอบกลับมาว่าจะฮิตหรือไม่ฮิตนั้นต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่คุณจะมาเหมารวมว่าจะต้องฮิต แต่จริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงฮิตจริงๆนะครับเรียกว่าได้รับความนิยมจากอดีตจนถึงปัจจุบันและนี่คือผลงานอมตะนะครับสำหรับเพลงรอผลงานต้นฉบับของคุณสุเทพวงกำแพงบันทึกเสียงไว้เมื่อปี2506จากการประพันธ์คำร้องแล้วก็ทำนองของครูสุรพลโทนะวนันนีซึ่งท่านก็เป็นนักแต่งเพลงนักเขียนนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แล้วท่านก็ยังเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทการประพันธ์เพลงไทยสากลประจำปีพศ2540แล้วก็ในปีพศ2553ท่านได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประพันธ์เพลงดีเด่นในอดีตในโครงการเพชรในเพลงครั้งที่7เฟังครับ ขออนุญาตให้คุณผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวนานไป น, นิดนึงเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านฟังเพลงนี้ด้วยกันนี่คือเพลงอมตะที่น่าภาคภูมิใจขอเชิญทุกท่านรับฟังเพลงรอขอเชิญรับฟังครับทา เธอมีหัวใจเหมือนฉันสักหน่อยเธอคงไม่ปล่อยให้ฉันต้องคอยอย่างนี้เธอคงมองส่งถึงไม่ตรีเธอคงมองส่งถึงความหวังดี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 s วีทเ f m เอ็ปกหาวิทยุราชมงคลทัญบุรีรับฟังออนไลน์ได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th โทร0 2 6 9 1 7 7 3 8กึง คุณลูกฟังครับหลังจากช่วงที่แล้วฟังเพลงรอนะครับก็จะทําให้มีความสุขเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงเก่าแล้วก็มีการนํามาขับร้องใหม่ซึ่งคุณเบิร์ตก็ขับร้องเพลงนี้ได้อย่างไพเราะเพราะเพลงนะครับคุณลูกฟังครับกําลังใจของนักจัดรายการทุกคนก็คือสมัยก่อนนะครับก็รอจดหมายที่คุณลูกฟังนี่แหละที่จะเขียนมาถ้า อีกยุคหนึ่งก็คงจะต้องรอโทรศัพท์ที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาในรายการแล้วก็เรื่อยมาก็จะมาเป็น s m s ใช่ไหมครับสมัยนี้โรคไร้พรมแดนเราสามารถฟังรายการวิธีุในที่ต่างๆได้แล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รอรับฟังรายการนี้ผมเองก็ได้รับกำลังใจจากทุกท่านแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการนี้ อย่างสม่ำเสมอนะครับมาถึงในช่วงมรดกวิถีไทยนะครับผมจะบอกว่าคนไทยนั้นมีจิตใจเมตตาแล้วก็ชอบเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่นกแมวแล้วก็สุนัขนะครับวันนี้จะเน้นไปเรื่องของสุนัขไทยและสุนัขไทยที่ได้รับความนิยมมากๆก็คือสุนัขพันธ์ไทยหลังอ่านไม่ทราบว่าที่บ้านคุณฟังได้มีสุนัขพันธ์นี้หรือไม่ ที่บ้านผมมีนะครับทางที่ต่างจังหวัดแล้วก็ที่บ้านส่วนตัวในที่ประทุมธานีนะครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์นะครับแล้วเจ้าสุนัขพันธ์ไทยหลังอานก็เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่เก่าแก่ของประเทศไทยตัวของมันนั้นมีขนาดกลางครับคุณผู้ฟังหูตั้งเป็นรูปสามเหลี่ยมถ้าสังเกตที่ปลายจมูกจะมีสีดำแล้วก็ปากรูปลิม หางเรียวยาวเป็นรูปดาบลักษณะเด่นคือมีอานซึ่งเกิดขึ้นจากคนที่ในแนวย้อนกับแนวขนปกติอยู่บนหลังซึ่งมีถิ่นกำเนิดของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานอยู่ที่ภาคตะวันออกนะครับแถบจันทบุรีก็มีแล้วก็แถบจังหวัดตราดซึ่งคนแถวนั้นก็ใช้สุนัขพันธุ์นี้นะครับในการที่ จะล่าสัตว์แล้วก็ติดตามเกวียนเพื่อคอยระแวดระวังภัยซึ่งคุณผู้ฟังครับระบบการคมนาคมในสมัยก่อนก็ยังไม่ดีเท่าในสมัยนี้เพราะฉะนั้นจะมีสุนัขหลังอ่านนี่แหละคอยเรียกว่าระแวดระวังแล้วก็ตามนะครับป้องกันภัยคราวนี้มาดูมาตรฐานสายพันธุ์ของสีของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านนะครับปัจจุบันเขาก็ได้รับการยอมรับในวงการประกวดสุนัข ซึ่งสุนัขพันธ์ไทยลังอ่านก็นิยมกัน4ีสีนะครับก็มีสีน้ำตาลแดงหรือสีแดงสีดําปลอดก็คือดําทั้งตัวไม่มีสีอื่นมาปนสีสว่าดก็ได้ผมเคยเห็นนะครับพันธ์ไทยลังอ่านสีสว่าด์น่ารักมากสีกลีบบัวแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีสีหรือรวดลายอื่นๆแต่ว่ายังไม่ได้รับการยอมรับในแวดวงประกวดสุนัขเช่นอาจจะมีลายเสือ คุณผู้ฟังครับผมจะย้อนไปนิดหนึ่งนะครับสุนัขไทยหลังอ่านถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ได้อย่างไรเป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยรู้เหมือนกันบอกว่ามีการวิเคราะห์และก็ศึกษาจากผู้ที่มีความรู้แล้วก็คิดว่าสุนัขพันธุ์ไทยนั้นน่าจะมาจากสุนัขในกลุ่มของวูฟแล้วก็แจกเกสุนัขไทยหลังอ่านเป็นสุนัขพื้นเมืองที่ อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกในเขตร้อนซึ่งสุนัขพื้นเมืองในเขตนี้ก็จะดูมีลักษณะคล้ายๆกันเช่นสุนัขในประเทศลาวในเวียดนามกัมพูชาพ ม, มา่ามาเลเซียแล้วก็บางทินบางแถบของประเทศจีนนะครับคุณผู้ฟังครับสุนัขในแถบนี้จะมีกระโหลกศรีรษะเป็นสามเหลี่ยมหรือว่าเป็นรูปริมดังที่กล่าวไปแล้ว เขาจะมีกรามใหญ่ที่แข็งแรงมีหูทั้งสองตั้งชันมีเส้นหลังตรงแล้วก็มีหางที่ตั้งยกขึ้นเหมือนกับดาบหรือเขียวแต่สุนัขไทยหลังอ่านนั้นจะมีลักษณะพิเศษก็คือมีขนบริเวณหลังซึ่งขึ้นในแนวย้อนนะครับก็คือไม่เป็นไปตามลำตัวนั่นเอง ซึ่งสุนัขพันธุ์อื่นๆในกลุ่มเดียวกันนั้นก็จะไม่ค่อยมีนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านคุณผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านก็ถูกจัดให้เป็นสุนัขที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลาเนิ่นนา น, านโดยเป็นสุนัขที่สามารถช่วยป้องกันเตือนภัยดูแลทรัพย์สิน และยังช่วยยังชีพในการออกป่าล่าสัตว์เพราะว่าสมัยก่อนสุนัขเหล่านี้ก็จะช่วยคนในการล่าสัตว์ซึ่งในสมัยโบราณคนไทยก็จะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านไว้ด้วยจุดประสงค์ต่างๆกันนะครับสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านของเรานะครับอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วถ้าเราไปตามชุมชนดั้งเดิมที่เขายังมีการรักษาวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยปุยยะตายายตามพื้นที่ในเขตปริมณฑลนะครับ ไม่เห็นชาวบ้านเห็นสุนัขพันธ์ไทยหลังอ่านพวกเขาก็จะเรียกชื่อสุนัขพันธ์ไทยหลังอ่านว่าหมาพผานเพราะว่าอะไรครับจะเห็นได้ว่าสุนัขไทยหลังอ่านของเรานั้นมีความสามารถพิเศษมากมายที่สุนัขพันธุ์อื่นไม่มีหรือเปรียบเทียบไม่ได้เลยในเรื่องของความฉลาดพละงกาลังความแข็งแกร่งแล้วก็ความซื่อสัตย์ต่อเจ้านายหลังจากนั้นสุนัขไทยหลังอ่าน ก็มีการผสมข้ามสายพันธุ์บ้างมีการพัฒนามาให้มีเรียกว่ามีความน่ารักมากขึ้นอาจจะผสมกับสายพันธุ์อื่นแต่จริงๆที่เขานิยมเลี้ยงกันก็เป็นพันธุ์ไทยแท้ดั้งเดิมนะครับถ้ามาดูลักษณะขนสุนัขไทยหลังอานจะมีขนสั้นก็แบ่งได้เป็น2แบบนะครับแบบขนแบบกรรมยีขนก็จะสั้นเกลียนติดผิวหนังแล้วก็มีความนุ่มแล้วก็แบบสั้นแต่ว่าไม่เกลียนติด ตัวผิวหนังของเจ้าสุนัขนะครับสำหรับสีนะครับสีที่ควรเป็นแล้วก็คนเขาสำหรับสีนะครับสีที่ควรจะเป็นแล้วก็สีเดียวทั้งตัวส่วนมากก็จะเป็นสีน้ําตาลสีน้ําตาลแดงสีน้ําตาลอ่อนสีน้ําตาลดำนะครับบางทีก็มีสีขาวสีกรีบบัวแล้วก็สีสว่านนะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของเจ้าสุนัขแสนรู้แล้วก็มีความสวยงามแล้วก็ความเฉลียวฉลาด วันนี้ผมพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสุนัขที่ผมเลี้ยงที่บ้านก็เป็นสุนัขพันธุ์ไทยแต่ว่าไม่ใช่หลังอ่านนะครับเป็นพื้นบ้านทั่วไปแต่ว่าก็มีความน่ารักแล้วก็มีความซื่อสัตย์แล้วช่วงต่อไปนะครับก็จะมีเรื่องราวประวัติของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วซึ่งมีความน่าสนใจมากๆนะครับ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 สุนทัณครับช่วงที่แล้วก็พูดถึงสุนัขไทยพันธ์หลังอ่านนะครับเรื่องราวของสุนัขนั้นน่าสนใจมากๆมาต่อในช่วงของมรดกวิถีไทยช่วงที่สองนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติของสุนัขไทยพันธ์บางแก้วช่วงนี้เรามาดูประวัติสุนัขไทยพันธ์บางแก้วนะครับจากข้อมูลที่มีท่านผู้รู้ได้สอบถามจากประชาชนตลอดจน ผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านบางแก้วตำบลท่านางงามแล้วก็บ้านชุมแสงสงครามตำบลชุมแสงสงครามอําเภอบางระกำรรอยู่ที่นู่นนะครับคุณผู้ฟังที่จังหวัดพิษสุโลกก็สรุปได้ว่าแรงกำเนิดของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วนั้นมีอยู่ที่วัดบางแก้วตำบลท่านางงามอําเภอบางระกำรรจังหวัดพิษสุนโลกสถานที่แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ริมแม่น้ำยม เขาบอกว่าสภาพภูมิประเทศโดยทั่วๆไปในสมัยก่อนนะครับก็เป็นป่ารกมีป่าระกรมมีปา่าไผ่แล้วก็ต้นไม้ชนิดต่างๆขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและป่าละเมาะแบบนี้ล่ะก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าชนิดต่างๆเช่นช้างป่าซึ่งอาศัยอยู่เป็นโคลงนะครับก็อาจจะมีหมูป่าไก่ป่าสุนัขจิ้งจอกแล้วก็หมาใน คราวนี้มาดูเหตุผลที่สันนิษฐานว่าสุนัขไทยพัน์บางแก้วเป็นสุนัขลูกผสมสามสายเลือดเท่าที่สังเกตดูที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าพื้นที่ในเขตตำบลท่านา ง, งามตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระกรรมซึ่งในอดีตนะครับที่บอกว่าเป็นป่ารกเป็นป่าดงพงพีที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เขาบอกว่ามีสุนัขจิ้งจอกมีหมาในอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากดังนั้นโอกาสที่สุนัขจิ้งจอกแล้วก็หมาในนะครับจะแอบมารักใคร่ชอบพอแล้วก็ผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์เนี่ยเป็นไปได้ส่วนสุนัขตัวเมียที่เลี้ยงไว้ในวัดบางแก้วนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะไปผสมพันธุ์กับหมาในแล้วก็สุนัขจิ้งจอกทีนี้ เจ้าสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ฉลาดว่องไวปราดเปรียวแข็งแรงนะครับซึ่งได้มีการวิจัยแล้วก็ค้นพบบอกว่าได้มีการตรวจโครโมโซมของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วแล้วพบว่ามีโครโมโซมของสุนัขจิ้งจอกปะปนในโครโมโซมของสุนัขไทยพันุ์บางแก้วซึ่งก็เป็นการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่า สุนัขไทยพันบางแก้วสืบเชื้อสายจากาสุนัขรูปผสมระหว่างสุนัขบ้านกับสุนัขจิ้งจอกซึ่งสุนัขไทยพันบางแก้วจึงมีลักษณะเด่นนะครับปรากฏออกมาก็คือมีขนยาวขนมีลักษณะเป็นขนสองชั้นนะครับแล้วก็หางเนี่ยเป็นพวงสวยงามมีขนแผงคอคล้ายแผงคอของสิงโตนีดูงามสง่า แล้วก็มักจะดุแล้วก็ฉเฉลียวฉลาดมี IQ สูงไม่แพ้สุนักพันต่างประเทศแล้วข้อสำคัญก็คือมีความสวยงามมากๆทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าเรามีสุนักหรือหลายๆท่านคิดที่จะเลี้ยงสุนักนะครับวันนี้ก็มีเคล็ดลับนิดหนึ่งที่จะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุนัขในบ้านนั้นเป็นอย่างไร ข้อแรกเลยนะครับถ้าในบริเวณบ้านนั้นมีพืชที่เป็นพิษนะครับอาจจะเป็นสิ่งล่อตาล่อใจเจ้าน้องหมาของเราก็ได้ดังนั้นจึงควรจะเก็บให้ห่างจากสุนัขหรือเอาออกไปจากบริเวณบ้านสิ่งที่เป็นพิษก็มีด้วยกันหลายอย่างต้องไปดูข้อมูลเพิมเ่มเติมจากสัตวแพทย์นะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใช้ในบ้านอาจจะมีพิษนะครับเช่นผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ทำความสะอาดบํารุงรักษารถยนต์รวมไปถึงน้ำมันเครื่องต่างๆก็ควรจะเก็บไว้ให้ปลอดภัยจากสุนัขของคุณเนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนั้นจะมีกลิ่นที่ยั่วยุนจมูกทำให้สุนัขไปกัดไปแทะเล่นหรือไปกินเข้าก็จะเป็นอันตรายนะครับข้อสำคัญก็คือควรจะซ่อนสายไฟจากสุนัขของคุณใครที่เดินสายไฟบริเวณโรงรถหรือทิ้งไว้ เดี๋ยวสุนัขไปกัดเข้าจะโดนไฟ ด, ดูหรือแม้กระทั่งสายไฟนั้นสุนัขเอามาเล่นก็จะพันคอได้มีข้อมูลบอกว่าวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวสุนัข ก, ก่อนที่จะปล่อยให้สุนัขอยู่ตามลําพังนะครับอย่างผมเองนี้เวลาไปทํางานถ้ามีสุนัขไว้ในบ้านนี่ก็เป็นห่วงเหมือนกันดังนั้นก็เลยปล่อยออกไปแล้วจริงๆก็ไม่ใช่สุนัขของผมแล้วครับเป็นของเพื่อนบ้านนั่นแหละแต่ชอบชอบมาบ้านผมเพราะว่าให้อาหารและของกินเขาไปบ่อยเหมือนกัน มาดูข้อแรกนะครับให้กักสุนัขของคุณไว้ในกรงหรือห้องที่ป้องกันความเสียหายจากสุนัขที่จะกัดหรือทาลายข้อ2หาของเล่นที่สามารถโต้ตอบกับสุนัขได้แล้วก็ให้มันเล่นนะครับโดยจะให้เฉพาะเมื่อสุนัขต้องอยู่ตามลาพังเขาบอกว่าการเล่นของเล่นประเภทนี้ก็จะช่วยให้เจ้าสุนัขเนี่ยสงบลงช่วยให้ลืมไปว่ากำลังถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลาพัง ข้อที่3พยายามให้สุนัขของคุณได้ขับถ่ายให้เสร็จก่อนที่คุณจะออกไปและในทันทีที่คุณกลับมาบ้านเรียกว่าพาออกไปขับถ่ายให้เรียบร้อยกลับมาถึงบ้านก็พาออกไปขับถ่ายเหมือนกันเดี๋ยวบ้านช่องเจริลอข้อที่4อย่าลงโทษสุนัขหากคุณกลับมาบ้านแล้วเจออะไรหกเลอะเทอะบนพื้นเข้าของเสียหายเนื่องจากจะยิ่งทําให้สุนัขของคุณนั้นเกิดความกังวลเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้จริงนะบางคน ขังสุนัขไปในบ้านแล้วก็กัดอะไรมากมายเจ้าของอาจจะทําโทษนะครับข้อที่5้าเก็บกวาดให้เรียบร้อยแล้วทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสุนัขของคุณจะค่อยๆลดความเครียดแล้วก็รู้สึกสบายผ่อนคลายมากขึ้นที่ต้องถูกทิ้งไว้ตามลําพังนะครับคุณผู้ฟังครับคราวนี้มาดูพฤติกรรมการทําลายเข้าของของสุนัขเขาบอกว่าสุนัขไม่ได้ทําลายเข้าของรอบบ้านเพราะความโกรธแค้นนะครับ แต่เป็นเพราะว่ากําลังจะหาอะไรบางอย่างทําเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งที่พฤติกรรมทําลายข้าของอาจจะเกิดจากความเบื่อหน่ายหรือขาดการเผาผลาญพลังงานของสุนัขดังนั้นมันจึงหากิจกรรมที่เหมาะสมที่มีการตอบโต้ให้สุนัขนะครับเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้สุนัขนั้นสร้างนิสยัยมองหาอะไรเล่นไปเรื่อยๆเปื่อยคุณผู้ฟังครับต่อไปการงับและการกัดแทะสิ่งของนะครับ เขาบอกว่าการงับเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขซึ่งก็จะช่วยให้สุนัขนั้นสงบลงเมื่อเกิดความเครียดสุนัขมักจะเริ่มหัดงับโน่นงับนี่นะครับตั้งแต่อายุ4ถึง6เดือนขึ้นไปสาเหตุก็บอกว่าช่วยบรรเทาอาการคันเหงือกเนื่องจากการงอของฝันนั่นเองเพิ่งรู้นะครับเนี่ยพฤติกรรมดังกล่าวอาจจะทาให้มันเนติด จ, จนเป็นนิสัยโดยไม่ตั้งใจดังนั้นสุนัขอาจจะคิดว่า คุณกําลังเล่นด้วยนะหากคุณพยายามไล่จับเพื่อจะแย่งของที่สุนัขงับนั้นเอามาคืนมาและก็อย่าได้ใช้การลงโทษเมื่อพบว่าสุนัขนั้นงับสิ่งของต่างๆของคุณอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจหากคุณไม่อยากให้สุนัขไล่งับสิ่งของบางอย่างในบ้านคุณนะครับก็มีวิธีง่ายๆก็คือให้นําของชิ้นนั้นไปไว้ให้ไกลจากสุนัขข้อ2อย่านํารองเท้าคู่เก่าของคุณหรือของเล่น ของเล่นเด็กๆนะครับชิ้นเก่าๆมาให้สุนัขนําไปงับเล่นเนื่องจากสุนัขไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างของที่คุณอนุญาตให้เคี้ยวเล่นได้กับของที่คุณยังใช้งานอยู่และข้อที่3หาของเล่นสําหรับสุนัขมาให้นะครับให้มันงับเล่นนะครับโดยขอให้เลือกของเล่นที่ทนทานเพียงพอต่อการกัดแล้วก็ข้อที่4หากคุณเห็นสุนัข ก, กําลังงับสิ่งของที่คุณไม่ต้องการให้มันมากัดเล่น ให้ห้ามสุนัขโดยการใช้เสียงดังๆเพื่อดึงดูดความสนใจจากนั้นจะทําให้สุนัขหันเทความสนใจไปยังของเล่นสําหรับขบเคี้ยวชนิดอย่างอื่นนะครับแล้วก็ให้รางวัลด้วยการให้ของเล่นชิ้นนั้นก็เป็นเคล็ดลับเทคนิคเล็กน้อยในกรณีที่คุณครูฟังมีสุนัขอยู่ในบ้านคุณครูฟังครับอย่างไรก็แล้วแต่สุนัข ก, ก็เป็นสัตว์ที่ซื่อสัตว์แล้วก็มีความน่ารัก มีความจงรักภักดีต่อเจ้าของดังนั้นการได้เล่นกับสุนัขดูแลสุนัข ก, ก็ทำให้เราคลายเครียดได้เช่นกันนะครับคุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz ม ครับวันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องราวของสุนัขเพราะว่าผมเองก็มีความรักและก็ความผูกพันความเมตตาให้กับเจ้าสุนัขที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับจริงๆสุนัขตัวนี้เข้ามารู้จักทําความรู้จักในชีวิตผมเนี่ยรวมเวลาแล้วก็8ปีนะครับไปไปมาๆเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีเจ้าของเก่าผมเองเนี่ยก็เป็นเจ้าของที่สองนะครับ เมื่อไหร่ที่ผมกลับมาบ้านหรือว่างๆเขาก็จะวิ่งมาที่บ้านผมเมื่อไหร่ที่ผมไปทํางานเขาจะกลับไปที่เจ้านายคนเดิมของเขาเมื่อพูดถึงความน่ารักความจงรักภักดีความซื่อสัตย์ของเจ้าสุนัข ก, ก็เลยทําให้ผมนึกถึงวรรณกรรมเรื่องสัน้นเรื่องมอมนะครับวันนี้ในช่วงมรดกทางภาษาจะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปสมัยมัธยมปลายซึ่งใครที่อยู่มัธยมปลายก็จะ ได้อ่านวรรณกรรมเรื่องสั้นเรื่องหมอมของหมอมราชบงคึกฤทธิ์ปราโมดวันนี้จะนำเรื่องย่อมาฝากคุณมาฟังเพื่อเป็นการฟื้นความทรงจําแล้วก็ได้เห็นถึงความซื่อสัตย์ของเจ้าหมอมด้วยนะครับมอมไม่ได้รักเจ้านายเท่าชีวิตแต่นายคือชีวิตของหมอมนี่คือประโยคที่กินใจเรามาตลอดนะครับเรื่องราวความรักความผูกพันและความซื่อสัตย์ของหมอมซึ่ง เจ้ามอมนี้ก็เป็นสุนัขพันธ์ทางที่เกิดจากพ่อที่เป็นสุนัขพันธ์อัลเซเชียนกับแม่ที่เป็นสุนัขพันธ์ไทยนะครับแล้วก็มอมมีเจ้าหน่ายชื่อหน้าซึ่งเป็นชายหนุ่มที่จิตใจดีมีความรักความเข้าใจให้กับทุกคนรวมทั้งมีความเมตตากับสัตว์เลี้ยงเรื่องราวก็ผ่านบรรยากาศเหตุการณ์ต่างๆในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองมอมอาศัยอยู่กับ เจ้านายก็จะมีนายหญิงแล้วก็คุณหนูลูกสาววัยเพิ่งหัดเดินมอมเติบโตที่บ้านหลังนี้ทากลางความรักความเอาใจใส่มอมเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์ฉลาดแล้วก็เชื่อฟังเจ้านายเป็นยันดีมอมนั้นรักเจ้านายอย่างมากและมอมคิดว่านาดก็คือชีวิตของมอม มอมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกับครอบครัวของเจ้านายแล้วก็แก๊งหมาจอมกวนแถวแถวบ้านคุณผู้ฟังครับแล้วความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นเมื่อญี่ปุ่นได้บุกมาที่ประเทศไทยบ้านเมืองเข้าสู่ยุคบรรยากาศของสงครามนายหรือคุณนาตต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารในสงครามโลกครั้งที่สอง ไปนานๆหลายวันจะกลับมาสักครั้งหนึ่งต่อมาเจ้านายก็หายไปเลยนะครับทิ้งให้มอมอยู่กับนายหญิงแล้วก็คุณหนูโดยก่อนที่เจ้านายจะไปก็ได้ฝากฝังให้มอมช่วยดูแลภรรยาแล้วก็ลูกสาวด้วยนะครับการจากไปของนายในครั้งนี้นะครับในช่วงภาวะสงครามทําให้ ทั้งมอมทั้งนายหญิงแล้วก็คุณหนูเนี่ยซึ่งอดีตเคยมีความสุขแต่วันนี้ในช่วงสงครามก็ต้องลําบากนะครับอยู่อย่างลําบากอดมื้อกินมือ้อซึ่งโดยปกติเนี่ยมอมก็ได้กินอิ่มทั้งสามมือ้อแต่คราวนี้ก็ได้กินอาหารพอประทังชีวิตไปเท่านั้นเองครอบครัวของนายหญิงก็จุนเจือครอบครัวด้วยการเอาของเก่านี่แหละไปขาย เพื่อเอาเงินมาซื้ออาหารจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับสงครามได้คุกคามมาถึง3ชีวิตนี้เมื่อเครื่องบินได้ทิ้งระเบิดตรงบ้านที่มอมเคยอาศัยอยู่จนกระทั่งบ้านพังทลายนายหญิงแล้วก็คุณหนูจบชีวิตลงเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนื่องจากแรงระเบิดนั้นได้ฝังร่างของคนทั้งสองมอมนั้นพยายามที่จะช่วยเต็มที่แล้ว แต่ก็ช่วยไม่ได้หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมอมก็เฝ้ารอการกลับมาของนายอย่างโดดเดี่ยวแต่ว่าด้วยความหิวนะครับมันจึงต้องออกเร่ร่อนหาอาหารคราวนี้สงครามจบลงแล้วผู้คนต่างบอบช้ำจากสงครามมอมเองก็ได้รับผลกระทบเพราะว่ามันจะต้องเร่ร่อนไปทิศอย่างต่างอย่างไร้จุดหมายจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อมันตื่นขึ้นมามันก็พบว่าตัวมันนั้น หลับอยู่หน้าบ้านหลังใหญ่โตหรูหราแล้วก็มีคุณแต่วนะครับเด็กผู้หญิงใจดีลูกสาวเจ้าของบ้านเนี่ยได้เก็บเอาหมอมไปเลี้ยงคุณแต่วให้ความรักให้อาหารจนหมอมเนี่ยมันอ้วนทวนสมบูรณ์แล้วก็เรียกชื่อมันใหม่ว่าดิกนะครับหมอมรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขทั้งทางกายแต่ว่าใจนั้นก็ยังคงนึกถึงนายเสมอๆหมอ ม, มักเฝ้าดูผู้คนที่ผ่านไปมาเผื่อว่า คนที่เดินไปมาเหล่านั้นอาจจะเป็นเจ้านายที่หายสาบสูญไปนั่นเองแล้ววันหนึ่งคืนฤดูร้อนในอีก2ปีต่อมานะครับคุณผู้ฟังครอบครัวของคุณแต่วก็ไปพักตาอากาศที่ต่างจังหวัดกันหมดมอมก็อยู่เฝ้าบ้านแล้วก็จะทำหน้าที่ในการดูแลบ้านแล้วก็จะจับขโมยแสดงถึงความสามารถดังนั้นมอมรู้สึกว่า กำลังจะมีขโมยเข้ามาในบ้านหลังจากนั้นหมอมก็เรียกว่าเตรียมที่จะจัดการกับเจ้าขัวขโมยคนนี้เขาบอกว่าแต่พอลมพัดเอากลิ่นตัวของขโมยคนนั้นเข้ามาเตะจมูกของหมอมทามให้หมอมจำได้ว่ากลิ่นนี้นี่แหละเป็นกลิ่นของเจ้านายที่หายไปหลายปีทั้งเจ้านายและหม่มนะครับก็จำกันได้ เจ้านายเองก็บอกว่าให้มอมอยู่ที่บ้านหลังนี้แหละเพราะว่าตนเองนั้นไม่มีบ้านไม่มีงานแล้วก็ไม่มีอาชีพต้องระเหเล่ร่อนแต่ว่าด้วยความรักที่มีต่อ น, นายมอมไม่ยอมนะครับจะขอเดินทางติดตามนายไปทุกขนทุกแห่งและนี่คือความประทับใจเป็นเรื่องย่อจากวรรณกรรมเรื่องสั้นเรื่องมอมนะครับคุณรู้ฟังครับดูแล้วเวลายังเหลื อ, อนิดหน่อยวันนี้ผมจะพูดถึง สำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับสุนัขหรือหมานะครับในหนังสือสุภา ษ, ษิตคําพังเพยสำนวนไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานมีผมใช้คําว่าหมานะครับปรากฏอยู่ในสำนวนไทยมากมายที่เกี่ยวข้องกับหมานั้นยังสะท้อนให้เห็นแง่มุมการใช้ภาษาแล้วก็สะท้อนให้เห็นสังคมไทยหลายๆอย่างด้วยนะครับผู้เขียนก็คือคุณรัติการสีอัมภัยสานักงานราชบัณฑิตยสภาได้ เรียบเรียงแล้วก็เขียนไว้อย่างน่าสนใจแล้วก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้นะครับมาดูสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับหมาดังต่อไปนี้นะครับสำนวนแรกหมาถูกน้ำร้อนก็หมายถึงคนที่มีความเดือดร้อนกระวนกระวายวิ่งพลานไปหาที่พึ่งต่างๆก็เปรียบเสมือนหมาที่ถูกน้ำร้อนร้องเสียงดังวิ่งพลานไปได้วยความเจ็บปวดทุรนทุรายต่อไปสำนวนหมาบ้าผ่านกระแช้ก็คือ คนที่อรารวาดพานหาเรื่องทำให้วุ่นวายไปหมดหมาล่าเนื้อหมายถึงคนที่รับใช้ผู้อื่นเมื่อเวลายังทำประโยชน์ให้เขาเหล่านั้นผู้เป็นนายก็เมตตาเลี้ยงดูแต่เมื่อทำประโยชน์ไม่ได้แล้วผู้เป็นนายก็ทอดทิ้งไมใ่ใยดีหรือหาเรื่องลงโทษขับไล่ไปให้พ้นนะครับส่วนสำนวนไทยหมาสองรางก็หมายถึงคนที่ทำตัวเข้ากับทั้ง2ฝ่าย หมาหมู่หมายถึงกลุ่มคนที่กลุ่มรุมทำร้ายคนเดียวแล้วหมาหย อ, อกไก่ก็หมายถึงเรียกอาการที่ชายหยอกล้อ ก, กับหญิงในทำนองชูสาวทำเป็นทีเล่นทีจริงประมาณหมาห่วงก้างก็หมายถึงคนที่ห่วงของที่ตนเองไม่มีสิทธิ์คนที่กันท่าคนอื่นในสิ่งที่ตนได้ใช้ประโยชน์แล้วหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้หมาห่วงรางคนที่ หวงแหนสิ่งที่ตนเองกินหรือกินไม่ได้แต่ไม่ยอมให้คนอื่นกินหรือใช้และจำนวนนี้ไม่ค่อยคุนเลยนะครับหมาในรงังหญ้าหรือเขาก็บอกว่าหมาหัวเน่าก็ได้หมายถึงคนที่เป็นที่รังเกียจของคนอื่นจนไม่สามารถเข้ากับใครได้คนที่ไม่มีใครเขารักเขาคบหานั่นเองจำนวนหมาหางด้วนก็หมายถึงคนที่ทำอะไรผิดพลาด จนได้รับความอับอายแล้วชวนให้ผู้อื่นทำตามโดยยกย่องว่าการกระทำนั้นดีควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างและมาถึงสำนวนห้าเห่าใบตองแห้งก็หมายถึงคนที่ชอบพูดเอะอะแสดงว่าเก่งแต่ไม่กล้าจริงนะครับสำนวนหมากัดไม่เห่านะครับก็หมายถึงคนที่ต่อสู้ตอบโต้โดยไม่มีการเตือนลวงหน้า ซึ่งตรงกันข้ามกับสำนวนหมาเห่าไม่กัดก็หมายถึงคนที่ดีแต่จะส่งเสียงเออะอะอวดเก่งแต่ไม่ยอมต่อสู้หรือตอบโต้และนี่คือสำนวนที่เกี่ยวข้องกับสุนัขหรือหมาในสังคมไทยก็หลายๆสำนวนนะครับเราก็ยังคุ้นเคยอยู่บางสำนวนก็อาจจะไม่คุ้นเคยผมบอกเสมอนะครับว่าสุภา ษ, ษิตสำนวนไทยเป็นภูมิปัญญาไทยที่ เราจะต้องศึกษาแล้วก็รักษาไว้ด้วยการใช้ด้วยการพูดให้ถูกต้องตามความหมายนะครับคุณกําลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 สิบเมกะ คุณผู้ฟังครับเมื่อได้ยินเสียงเพลงแบบนี้แสดงว่ารายการมรดกไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการนี้ตั้งแต่ต้นยันจบถ้าหากคุณผู้ฟังสนใจรับฟังรายการมรดกไทยก็สามารถหมุนคลื่นมาที่ fm 89.5 MHz เมสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีคลื่น เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้ผมอาจารย์สมพงษ์บุญหนุนมีความสุขมากๆนะครับที่มาจัดรายการให้คุณผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจและก็การติดตามรับฟังด้วยดีสม่าเสมอผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงอำนวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ FM 89.5 MHz สเมรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี